สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยี่สิบแปดเรื่องทางสองแพร่งตอนที่สองพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สี่พระธรรมสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่สิบสี่และสิบห้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้ายและอย่าเดิน ในทางของคนอธรรมจงหลีกเสียอย่าเดินบนนั้นเลี้ยวออกไปเสียและจงผ่านไปในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับโปรดฟังเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งอย่าย่างกรายเข้าไปในทางของคนชั่วหรือเดินในทางของคนเลวจงหลีกห่างอย่าเดินไปทางนั้นจงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่น พี่น้องครับในเช้าวันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของทางสองแง่งเมื่อชีวิตของเรานั้นเดินมาถึงทางหรือว่าวิถีแห่งชีวิตที่เรียกว่ามันคามันคาขององค์ผู้เป็นเจ้านั้นเป็นมันคาที่ถูกต้องครับวิถีที่ความชอบธรรมได้สำแดงออกนั้นเป็นวิถีแห่งความถูกต้องทางที่เราเดินตามพระเจ้า ทางที่เราเดินตามพระเยซูก็เป็นทางที่ถูกต้องการเปรียบเทียบแบบถนนในพระธรรมสุภาษิตนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นภาพชีวิตตั้งแต่การเกิดไปจนกระทั่งถึงการตายแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับการบรรยายให้เห็นภาพถนนสู่ชีวิตหลังจากความตายนั้นก็มีอยู่ก็คือนำไปถึงทางสองแ่งที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนิรัน์และความตายนิรัน์ พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นทําให้บางคนไม่ได้พบกันครับมีนักเขียนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปานเขียนอย่างนี้ครับว่ายาเดินก้าวแรกถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมหรือว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่รู้จุดหมายปลายทางหลังจากนั้นพี่น้องครับ ย่าเดินก้าวแรกครับถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้เราทั้งหลายต้องเลือกการเลือกของเราทั้งหลายนั้นมีพื้นฐานจา ก, กอะไรเมื่อชีวิตของเรานั้นพบกับทางสองแพร่งเรื่องระหว่างความดีและความไม่ดีเราก็คงจะเลือกง่ายแต่โลกไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายๆเช่นนั้นเพราะในโลกนี้มีสีเทาครับมีสีเทา และมีหลายเขตสีมากมายทีเดียวเราเองนั้นจะรู้ได้อย่างไรมีคากล่าวนี้ครับว่าผู้นำทางที่ดีผู้นาทางที่แท้จริงนั้นเขาอาจจะไม่รู้จักหินทุกก้อนที่วางอยู่ตามทางที่จะเดินไปแต่ปัญญาของเขานั้นประกอบไปด้วยการใช้ช่องทางที่ปลอดภัย เพียงตอรดฟังครันะครับคนนำทางที่เก่งอาจจะไม่ต้องรู้จักก้อนหินทุกก้อนหรืออุปสรรคปัญหาทุกอย่างระหว่างทางแต่สิ่งที่เก่งของเขาก็คือการมีปัญญาที่จะเลือกใช้ช่องทางที่ปลอดภัยคริสเตียนเราก็เช่นเดียวกันครับเราอาจจะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าระหว่างที่เราเดินติดตามพระเจ้าไปแต่ พระเยซูเป็นผู้นําทางครับโปร่งเลือกทางที่ปลอดภัยให้กับเราได้อย่างแน่นอนเราเพียงแต่ต้องเดินตามพระองค์ให้ถูกเท่านั้นเองคริสเตียนเรานั้นไม่จําเป็นที่ต้องให้ตัวเรานะตระหนักถึงความชั่วทั้งหมดทุกอย่างของโลกนี้เพียงแต่จะต้องใช้เส้นทางที่ปลอดภัยนั่นหมายความว่าวิถีที่ดีในขณะเดีวยวกันครับก็มีเป้าหมาย หรือจุดหมายจุดหมายปลายทางก็คือชีวิตนิรัน์มุ่งสู่ชีวิตนิรัน์แล้วเราจะเดินอย่างถูกต้องอยู่ในวิถีที่ถูกต้องอยู่ในทางที่ถูกต้องอยู่ในมันคาที่พระเจ้าได้ประทานให้พี่น้องครับเราจะเห็นถึงคำศัพท์อยู่สี่คำด้วยกันนะครับในข้อที่สิบห้าภาษาอังกฤษ่า้อีกนะครับว่า avoidavoid Avoid แปลว่าหลีกเลี่ยง นะครับคำที่สองก็คือ pass not by it มีความหมายว่าเราจะต้องอย่าข้องแวะอย่าหยุดดูนะครับและคำที่สามก็คือ turn away from it ก็คือให้เลี้ยวออกไปหรือเม k กับเทินก็คือให้กลับรถและคำที่สี่ก็คือ pass away ก็คือผ่านไปครับ นะครับสี่คำนี้ทําให้เราเห็นถึงการตอบสนองต่อวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าในข้อที่สิบสี่สิบห้านั้นใช้คำว่าอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่านะครับอย่าย่างกรายเข้าไปในทางของคนชั่วอย่าเดินในทางของคนเลวอย่าเดินไปบนนั้นจงหลีกห่างและจงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่นพี่น้องครับพระเนะพระเจ้าพูดชัดเจนครับอยา่า อย่าย่าย า, ย า, ยาเพราะฉะนั้นผมอยากแกบอกกับพวกเราทั้งหลายทุกคนว่าเราจะต้องสอนลูกหลานของเราครับเพราะว่าในบทที่สี่นั้นพูดถึงความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงที่มีต่อน้องเลี้ยงก็คือเราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฝ่ายกินแยงของเขาเราจะต้องส่งต่อไม้ผบที่พระเจ้าได้ประทานความเชื่อใกับเ ร, เราเราจะต้องเป็นห่วงนะครับแต่ละห่วงที่คล้องกัน ระหว่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนมันพ่บรุษในสายแห่งความเชื่อความศรัทธาของเรานั้นจะต้องสอนให้ทุกๆคนที่อยู่ในสายนี้นะครับสี่ประการด้วยกันคือจะต้องหลีกเลี่ยงครับหนึ่งหลีกเลี่ยงสองเราจะต้องอย่าข้องแวะให้เราใช้เส้นทางอื่นๆสามเราจะต้องเลี้ยวหนีนะครับและสี่เราจะต้อง ผ่านไปพี่น้องครับผมจะใช้คำคล่องจองอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งสอนวิธีการล่วงหน้าสองเลือกวิธีที่ถูกต้องสามวางแผนให้ดีสี่หัดหนีให้เป็นสี่ประการนี้ครับหนึ่งสอนวิธีการล่วงหน้าสองเลือกวิธีที่ถูกต้องสามวางแผนให้ดี สี่หัดหนีให้เป็นพี่น้องครับสอนวิธีการล่วงหน้าก็คือเราจะต้องฉีดภูมิคุ้มกันหรือฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานของเราใช่ก่อนการฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานงเราก็คือการสอนพระกัมภีร์ครับการแบ่งปันประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่มีกับพระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระเยซูพูดถึงเรื่องราวของพระกรมัมภีร์ให้ลูกให้หลานให้น้องเลี้ยงฟัง ประการที่สองก็คือเลือกวิธีที่ถูกต้องมีวิธีการนะครับสอนวิธีการอันที่สองก็คือเลือกวิธีเลือกวิธีที่ถูกต้องก็คือเลือกทางที่ถูกต้องครับสอนให้เขารู้จักเลือกนะครับในสถานการณ์ต่างๆครับในสถานการณ์ต่างๆอย่าไปข้องแวะอย่าหยุดดูเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นยกอย่างเช่น ในขณะที่เราอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับหลาะยครั้งมันก็จะมีภาพที่ไม่ควรดูนะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเข้าไปดูแต่มันติดอยู่นะครับก็อย่าหยุดดูอย่าหยุดดูครับอย่าคล่องแวะโปรดหลีกเลี่ยงนะครับและโปรดใช้เส้นทางอื่นๆนี่ครับคือทางที่เราจะเลือกวิธีที่ถูกต้องประการที่สามครับ ก็คือเราจะต้องวางแผนให้ดีการวางแผนที่ดีนั้น <c oughs> ก็คือการเลือกทางที่จะเดินไปเวลาที่เราหลีกเลี่ยงนะครับเราขับรถบนไฮเวย์เรากำลังหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเราหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ควรจะเดินแต่เราต้องวางแผนครับว่าเราจะเดินไปที่ไหนเราจะใช้เส้นทางอื่นได้อย่างไรทางอื่นที่เราเลือกนั้นรถติดหรือเปล่า มีอุบัติเหตุอะไรต่างๆหรือเปล่าสะดวกสบายจริงๆหรือเปล่านะครับวางแผนให้ดีประการสุดท้ายครับหัดหนีให้เป็นเพื่อนครับหลายหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เราขับรถนะครับหรือเราเดินไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างครับเราจะต้องหนีให้ถูกหนีให้เป็นถ้าหนีไม่เป็นนะครับเราเองอาจจะถูกทำร้ายได้ หรือเราเองอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและยากขึ้นเรื่อยๆที่นะครับเราต้องสอนลูกหลานของเราให้หัดหนีให้เป็นให้หัดปฏิเสธให้เป็นครับหัดปฏิเสธอย่างไรที่จะไม่แล้งน้ำใจหัดปฏิเสธที่เราจะสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ด้วยสี่วิธีนี้นะครับทำให้ลูกหลานของเราเข้มแข็งและเลือกทางที่ถูกต้องครับผมจะขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนึ่งสอนวิธีการล่วงหน้าสองเลือกวิธีที่ถูกต้องสามวางแผนให้ดีสี่หัดหนีให้เป็นขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านในการอบรมดูแลจิตวิญญาณและชีวิตทางของลูกหลานของเราและน้องเลี้ยงของเราอาเมีน